ข้อความในมิลินทปัญหานะหน้าสองหกสดมาขึ้นบินดาปาตะมหัพละปัญหาพระเจ้ามิลินได้กราบเรียมถามพระนาคเสนว่าพระคุณเจ้าพระเทระผู้ทําสังขยนาพระธรรมคือพระอานนท์พระหมหากระสปะเป็นต้นเนี่ยนะที่ได้เรียบเรียมพระธรรมที่ตอนสังขยนาพากันกล่าวไว้ว่า จุนทัสษะพัตังพุลชิตวากรรมมารัสสติเมสตังอาภาทังสัมภูสีทีโรปภาละหังมรนันติกังแปลว่าข้าพเจ้าได้สดับมาว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงเป็นนักปราชเสวยพระกรยาหารของนายจุนทักกรรมมารบุตรแล้วก็ทรงเกิดพระอาพาธหนักจวนเจียนมรณะคือหมายว่าพอเสวยเสร็จฉันเสร็จก็ป่วยเลย อันนี้ก็เป็นข้อความที่มีอยู่ในตอนทรรมสังคยนาแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสไว้อีกแห่งหนึ่งเนี่ยนะก่อนจะดับขันปริณิพานว่าเดเวเมอนันทปินดาปาตาสมะสมะพลาสมะวิปากาเปอันเยหิบินดาปาเตหิมหั พ, พละตโรจะมหานิสังสตโรแปลว่านี่แนี่อานนุนบินทบาทสองอย่างเหล่านี้มีผลเท่าๆกัน มีวิบากเสมอกันมีผลมากกว่าและมีอนิสงฆ์มากกว่าบิณฑบาตอื่นยิ่งนักนะบิณฑบาตสองอย่างนี่นะผลกําไรที่เกิดจากการทําบุญเนี่ยเท่ากันแล้วก็เนื้อการถวายอาหารบินทบาต ท, ทุกชนิดระหว่างสี่ิบห้าปีนี้บิณฑบาตสองอย่างอะไรบ้างได้แก่หนึ่งบิณฑบาต ท, ที่พระตถาคตได้บริโภคแล้วตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอย่างหนึ่ง มันอาหารมื้อที่นางสุชาดาถวายเนี่ยถือว่าเป็นมื้อที่มีบุญมากเียนะตลอดระยะเวลา45พรรษาที่พระองค์สเสวยหรือพระองค์ฉันเนี่ยนะอาหารมื้อนี้กับอีกมื้อหนึ่งคือบิณฑบาต ท, ที่พระตถาคตได้บริโภคแล้วก็ปรินิพานด้วยอนุ ป, ปาทิเสสนิพานาธาตุอย่างหนึ่ง บินทบาตสองอย่างเหล่านี้มีผลเท่าเท่ากันมีวิบากเสมอกันมีผลมากกว่าและมีอนิสง์มากกว่าบินธบาตอื่นนัดดังนี้ปัญหาก็มีอยู่ว่าพระคุณเจ้านาเกษนถ้าหากว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสวยพระกยายหารของนายจนทะแล้วอ า, าพาธที่แรงกล้าก็เกิดขึ้นและพระเวทนาสาหัสจนเจียนมรณะก็เป็นต จริงแล้วายถ้าอย่างนั้นคาที่ตรัสว่านี่ไะอนอน์บินทบาทสองอย่างเหล่านี้มีผลเท่าเท่ากันมีวิบากเสมอกันมีผลมากกว่าและมีอนิสงมากกว่าบินทบาทอื่นนักบังนี้ก็ย่อมไม่ถูกต้องใช่ถ้าหากว่าบินทบาทสองอย่างเหล่านี้มีผลเท่าเท่ากันมีวิบากเสมอกันมีผลมากกว่าและมีอนิสงมากกว่าบินทบาทอื่นนักจริงแล้วไซถ้าอย่างนั้นคาที่ว่า เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสวยพระกาหารของนายจุนทะแล้วพระอาพาธที่แรงกล้าก็เกิดขึ้นและพระเวทนาสาหัสจวนเจียนมรณะก็เป็นไปดังนี้ก็ย่อมไม่ถูกต้องพระขุณเจ้านาเกษตรบินทบาทนั้นเมื่อถึงความเป็นยาพิษไปจะมีผลมากได้หรือหนอเมื่อทำให้เกิดโรคจะมีผลมากได้หรือนอเมื่อทาอายุให้พินาศ หมายว่าฉันแล้วจะตายเนี่ยนะจะมีผลมากได้หรือ no ก็มือแรกนี่ไม่เถียงว่าไม่มีผลมากแต่ไอ้มือต่อไปมือสุดท้ายเนี่ยน่าเห็น่ า, น, า, น, าน่าคิดนะเพราะอะไรบอกว่าพอพระองค์ฉันเสร็จก็ป่วยเลยป่วยเกือบตายด้วยอะ่ะแล้วอาหารอันนั้นมันจะมีผลมากได้ยังไงเนี่ยฉันมากอาหารที่ฉันไตก็กลายเป็นยาพิษฉันเสร็จก็เป็นโรคฉันเสร็จก็อายุจะสิ้นอายุจะสิ้นพระชนจะปรินิพานเมื่อคราพระชนชีพของพระผู้มีพระภาคเจ้าจะ มีผลมากได้หรือหนอ้อมันสงสัยมันกันมันมันฟังแล้วมันขัดกันเองยังไงอยู่เพื่อเป็นการข่มประวาทะวาทะตัวนั้นแปลว่าลัทธิมิจฉาทิฏฐิเนี่ย น, นะประคือพวกอื่นเพื่อข่มลัทธิมิจฉาทิฏฐิฝ่ายอื่นขอท่านจงกล่าวเหตุผลในความข้อนั้นแก่ข้าพเจ้าเถิดในเรื่องนี้ยังมีคนหลงเข้าใจว่าเขาเข้าใจผิดกันเยอะว่า โรคถ่ายเป็นเลือดเกิดเพราะพระกระยาหารที่สวยมากเกินไปด้วยอำนาจแห่งความอยากบอกเป็นมือสุดท้ายที่ทำปรุงอาหารอย่างอร่ อ, รอยอร่อยพระองค์ฉันเกินไปเลยป่วยเนี่ยนะนั่นไอคนโง่เ น, นี่ยก็ยังว่าปัญหาแม้นี้ก็มีสองเงื่อนตกถึงแก่ท่านแล้วขอท่านจงคลี่คลายปัญหานั้นเถ อ, อะจากปัญหาในมิลินทปัญหาเนี่ยนะคนที่ไม่เจริญพุทธคุณเต็มที่ไม่เจริญพุทธานุสติยิ่งจริงๆยากที่จะตอบได้ นะโดยมากจะอธิบายไม่ไดนะนะ้พันแสดงว่าพาาระนาคเษนนั้นเป็นพระที่เจริญพุทธานุสติมากจริงๆอยู่ด้วยพุทธานุสติเข้าใจเกี่ยวกัขั้นตอนทุกชีวิตทุกขณะของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมดเลยนะ ท, ท, ที่ที่ปรากฏอยู่ตามคำพีนะท่านท่านเอามาคร่ควรววอย่างละเอียดรอบคอบนั้นะท่านจึงตอบ ป, ปัญหาจากแง่มุมต่างๆได้หมดท่านมาฟังคาของพระนาคเษนต่อว่าขอถวายพระพรมหาพิต พระเถระผู้ทำสังคยาณาพระธรรมได้กล่าวข้อความนี้ไว้ว่าข้าพเจ้าได้สดับมาว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงเป็นนักปราบเสวยพระกยาหารของนายจุนทกกรรมมารบทแล้วก็ทรงเกิดพระอาพาธหนักจวนเจียนมรณะดังนี้จริงคำนี้ท่านประพันธ์คาถานี้เอาไว้สองที่คือในอุทานเนี่ยนะในอุทานที่หนึ่งกับมหาปรินิพานสูตรที่หนึ่ง อ, ะอ่ะมีการประพันธ์ไว้อย่างนี้จริง และพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสความข้อนี้ไว้อีกว่านี่เนี่ยอนนบินทบาทสองอย่างเหล่านี้มีผลเท่าๆกันมีวิบากเสมอกันมีผลมากกว่าและมีอ น, นิสงฆ์มากกว่าบินทบาทอย่างอื่นนักบินทบาทสองอย่างอะไรบ้างได้แก่บินทบาทที่พระตถาคตได้บริโภคแล้วก็ได้ตต่สรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอย่างหนึ่งบินทบาทที่พระตถาคตได้บริโภคแล้วก็ได้ปรินิพานด้วยอนุ ป, ปาทิเสสานิพานธาตุอย่างหนึ่ง บินธบาสสองอย่างเนีเหล่านี้มีผลเท่าเๆกันมีวิบากเสมอกันมีผลมากกว่าและมียนิสงมากกว่าบินธบาสอย่างอื่นยิ่งนักอย่างเนี้ยจริงคือข้อความทั้งสองอย่างนีมีจริงแต่ว่าเออจริงแล้วแต่ว่าถ้าพูดไม่ดีมันขัดกันเอง ก็บินทบาต้นั้นมีคนมากมีในสงมากมายเทวดาทั้งหลายผู้บันเทิงมีจิตใจเลื่อมใสยอยู่คิดว่าบินธบาทครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายสําหรับพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้เทวดาเหล่านั้นก็โปรยปลายโอชะอันเป็นทิพย์ลงบนสุกรามัถวะซึ่งเป็นเหตุให้สุกรามัทวะสุกเสมอกันย่อยง่ายมีรสอร่อยมากน่าชื่นใจเกื้อกูลแก่ไฝธาตุย่อยอาหาร นนสุครามัถวะนั้นตามกล่าวตามพุทธวงศ์นั้นเชื่อว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์มือดับขันปรินิพานสวยเนื้อเพระเาะฉะนั้นเนื้อหมูจริงๆนะนะกล่าวตามอัตถกถาพุทธวงศ์นะแต่ในอัตถกถามหาปรินิพานสูตรอัตถกถาในอุทานก็อธิบายหลายๆมติด้วยกันแต่ว่าที่สําคัญอ่ะพระอัตถกถาจารย์ยอมรับในลักษณะว่าบริโภคเนื้อหมูจริงๆนี่ย ขอถวายพระพรเพราะเหตุนั้นนั่นแหละโรคอะไรอะไรที่ยังไม่เกิดก็เป็นอันเกิดแก่พระผู้มีพระภาคเจ้ามิได้ปกติแล้วอาหารเนี่ยเท่ากับเป็นยารักษาโรคของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอถวายพระพรเมื่อสรีระตามปกติของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยมีอันซามกําลังไปมีอันสินส้นอายุสังขารไปโรคที่เกิดอยู่แล้วก็ยิ่งกําเริบยิ่งขึ้นคือตอนที่พระพุทธเจ้าก่อนฉันอาหารก็ไม่ใช่ว่าไม่ป่วย ตอนฉันก็ไม่ใช่ว่าไม่ป่วยฉันเสร็จแล้วก็ไม่ได้แปลว่าไม่ป่วยเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าป่วยอยู่แล้วเนี่ยนะถามว่าทำไมจึงป่วยเพราะพระพุทธเจ้าไม่มีการขวนขวายที่จะรักษาสรีระเลยเพราะพระองค์รู้กติกาของสังขารเป็นอย่างดีเรียว่ารู้กฎเกณฑ์รู้ระบบรู้ปัจจัยของรูปปัจจัยของพระองค์เป็นอย่างดีถ้าพระองค์มีการรักษาปัจพัชนมายุ ข, ของพระองค์ก็จะเลยไปอีกแล้วพระองค์ตัดสินใจแล้วว่าพระองค์จะไม่เยียวยาจะปล่อยให้ปริณิพานพอดีในเวลานั้นไป ทีนี้มันจะต้องทนทรมานหน่อยจะต้องเจ็บปวดบ้างอะไรบ้างเพราะว่าจะต้องไปดับในช่วงนั้นได้พอดีเพราะว่าพระองค์เนี่ยตัดปัจใจบำรุงเนี่ยสามเดือนเต็มตัดปัดใจที่จะบำรุงอายุสังขารเนี่ยนะตัดปัดใจเนี่ยตั้งแต่สมัยไหนปลงพระชนมายุสังขารเรียกว่าตอนั้นเนี่ยสมาทานตัดปัดใจที่จะถ้าเป็นอะไรนะถ้าเป็นหมอก็เรียกว่าตัดยาตัดอาหารแล้วก็คือปล่อยให้ตายตามธรรมชาติแล้ว ทาถ้าตัดยาตัดอาหารปกติทั่วๆไปได้กี่วันก็ว่ากันไปพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าตัดตัดใจหลายๆตัวพระองค์รู้ว่าจะปรินิพพานภายในสามเดือนเนี่ยนะรู้ได้เลยอย่างนั้นทาในระหว่างนี้พระองค์ป่วยมาตลอดแล้วในพรรษาก่อนหน้านั้นก็ป่วยอยู่แล้วป่วยมากถึงขนาดเท้าสักกะต้องมามา อุปถาคที่เรียกว่ากร ะ, กระทนน้ อ, อกกทนหนึ่งเข้ากระท้อนหนึ่งออกกระท้อนหนึ่งเข้ากระท้อนหนึ่งออกภายในพรรษาเนี่ยนะพระนรินทร์ไม่สบายใจมากเลยว่าโอ้พระพุทธเจ้านี้ป่วยมากแล้วน่าจะรอดไม่น้อแต่ก็ยังอุ่นใจอยู่อย่างหนึ่งว่าพระองค์ยังไม่ได้สั่งลาอะไรเลยสักอย่างแสดงว่าแสดงว่าพระองค์ยังไม่ปรินิพานจริงเพราะว่าพระองค์ต้องมีคําสั่งลาอะไรสักอย่างหนึ่งยังอุ่นใจอยู่ตรงนั้นที่ที่มาคือว่าอาจริยมุติเนี่ยนะกำมือของอาจารย์ไม่มีแล้วเนี่ยนะ ที่ที่พระ อ, องค์ก็มามาแสดงในตอนหลังว่าจะคาดหวังอะไรจากเราอีกเหมือนเพราะฉะนั้นถือว่าสุขภาพของพระผู้มีพระภาคเจ้าภายในพรรษาสุดท้ายที่จําพรรษาอยู่ที่เมืองไผ่าลีก็ป่วยโดยมากป่วยมากกว่าไม่ป่วยเัมนกันนะแล้วระหว่างนั้นพระ อ, องค์ก็จาริกจากไผ่าลีเนี่ยมาที่ไหนมาราชครึกมาเชตวันแล้วจากเชตวันไปไผ่าลีไปอีกหลายแห่งด้วยกัน เนนะจึงได้มาปรินิพานที่กุศลน า, ร, าระหว่างที่ป่วยนั้นเต็มไปด้วยการเดินทางป่วยด้วยเดินทางด้วยแล้วก็อธิษฐานตัดตัดใจที่จะให้มีชีวิตไปแล้วด้วยท่า น, นระหว่างนั้นป่วยตลอดเลยเพรานระหว่างที่พระองค์ชันอาหารเสร็จช่วงนั้นก็ป่วยอยู่แล้วเพรานฉันอาหารเสร็จมันจะหายป่วยได้ยังไงมันก็ยังป่วยอยู่ตามปกตินั่นแหละพรานคําที่พระโบราณอาจารย์กล่าวไว้ในตอนสังขยนาว่า ข้าพเจ้าได้สดับมาว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงเป็นปราศเวยพระกยาหารของนายจุนทะกรมมารบตรแล้วก็เกิดพระอาพาธหนักจวนเจียนมรณะเนี่ยนะขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าไฟที่กําลังลุกโพลงอยู่ตามปกติเมื่อป้อนเชื้ออื่นเข้าไปก็ยิ่งลุกโพลงฉั้นใดขอถวายพระพรเมื่อพระสรีระตามปกติของพระผู้มีพระภาคเจ้ามีอันซามกําลังไปมีอันสิ้นอายุสังขารไป โรคที่เกิดขึ้นอยู่แล oven, ้วก AH. <c oughs> <nominations. S 1> ็ย <c ười> ิ่งกำเริบยิ่งขึ้นฉันนั้นเหมือนกันเนี่ยนะก็ป่วยอยู่แล้วฉันเสร็จก็ไม่ใช่ว่าจะหายป่วยได้ที่ไหนเนี่ยนะแต่ก็ยังป่วยขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะเพราะว่ามือนั้นเป็นมือสุดท้ายอ่ะนะพอพระองค์เนี่ยฉันฉันตอนเช้าใช่ไหมฉันเสร็จก็ยังเดินทางมาจนถึงที่ที่ปรินิพานเนี่ยนะเรียกว่ามันอนปรินิพานในคืนนั้นอ่ะก่อนรุ่งอรุณเนี่ยนะก่อนรุ่งอรุณเนี่ยมันอนปรินิพานมันหลังจากที่ฉันอาหารเสร็จมาก็ป่วยมาเรื่อยเเนี่ยนะ แต่ว่าถ้าไม่ฉันพระกยายารของนายจุนทกกรมมารบุตรพระองค์จะเอาแรงที่ไหนเสด็จมาจนถึงกุสินาราเนี่ยนะเพราะว่าจากเมืองปาวามากุสินาราก็ไกลกันโขเหมือนกันเนี่ยนะขอถวายพระพรอีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนว่ากระแสน้ำที่ไหลไปตามปกติ เมื่อมีฝนหาใหญ่ตกลงมาก็กลายเป็นห่วงน้ำใหญ่ไหลเชี่ยวกราบไปฉันใดเมื่อพระสรีระตามปกติของพระผู้มีพระภาคเจ้ามีอันซามกำลังไปมีอันสิ้นอายุสังขารไปโรคที่เกิดอยู่แล้วก็ยิ่งกำเริบขึ้นฉะ น, นั้นเหมือนกันขอถวายพระพรหามีความผิดอะไรๆในบินทบาทนั้นไม่และใครๆไม่อาจจะยกความผิดให้แก่บินทบาทนั้นได้เนี่ย ก็เอาคนป่วยเนี่ยนะชันอะไรมันก็ป่วยอยู่แล้วล่ะไม่ฉันมันยังป่วยเลยฟังกันที่จริงอะ่ะชันอาหารเนี่ยช่วยให้มีแรงด้วยซ้าไปอาหารนี่มีคุณมากและพระพุทธเจ้าก็มีโภชเนะมตตันยุตาอยู่แล้วไม่ได้ตะกะตะกรามอะไรหรอกพระองค์ก็ฉันได้ตามสมควรเนี่ยนะเพราะพระองค์เป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคในอัตถกาฐานหน้า275ย่อหน้าข้างล่างเนี่ยนะที่ท่านพระอานนท์ กล่าวไว้ในสังคยนาว่าครั้งนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยพัฒตาหารของนายจุนทะกรรมมารบุตรแล้วก็ทรงเกิดพระอาพาธหนักเวทนาแรงกล้าที่เกิดแต่โรคลงพ่โลหิตก็เป็นไยจวนเจียนมรณ ะ, ะนะกล่าวไว้อย่างนั้นก็จริงท่านพระนนนท์ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้แปลว่าสุขระมัถวะที่นายจุนททูลถวายนั้นเป็นเหตุให้ทรงเกิดพระอาพาธหนัก เป็นเหตุให้เกิดโรคลงพระโลหิตเป็นเหตุทําพระองค์ต้องเสด็จดับขันปริเนภานในที่สุดคํานั้นไม่ได้หมายคำว่าอาหารเป็นปัจจัยให้พระองค์ป่วยมากขึ้นอาหารไม่ได้เป็นปัจจัยให้พระองค์สิ้นพระชนท่านเพียงแต่หมายความว่าเมื่อได้เสวยอาหารของนายจุนทะแล้วพระอาพาธที่ทรงมีอยู่ก่อนกําเริบขึ้นมาแทบว่าจะทรงดับขันปริเพานเพราะเหตุที่เสวยเข้าไปใหม่ๆเท่านั้น ถึงอย่างไรอาหารนี้ก็ช่วยพระองค์ให้มีกำลังพระวรากายเสด็จดำเนินไปจนถึงเมืองกุสินาราได้นะก็เพราะว่าคุณของอาหารนั้นอาหารนั้นจึงเป็นอาหารที่มีผลมากแต่ว่าปัจจัยประเด็นสำคัญจะได้กล่าวต่อไปทีนี้พระเจ้ามิลินก็ยังสงสัยอย่างอื่นอีกต่อไปว่าพระคุณเจ้าเพราะเหตุไรบินทบาทสองอย่างนั้นจึงมีผลเท่าเทกันมีวิบากเสมอกันมีวิบาก หรือมีผลและมีอนิสง์มากกว่าบินทบาทอย่างอื่นยิ่งนักเล่าคือน่าสงสัยจริงๆว่าทุกครั้งเนี่ยพระองค์ก็ฉันเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยโดยมากเว้นไว้แต่วันไหนที่เข้านิโรธสมาบัติวันที่เหลือพระองค์ฉันหมดเลยถามว่าตลอดระยะเวลาเนี่ยหนะ้าปีคูณสสเนี่ยพระองค์ฉันกี่มือ้อนั่นแหละก็ฉันว่า365้คูณ45ปีนั่นแหละฉันเท่านั้นะ ว้นวันไหนที่เข้าสมาบัติเนี่ยนะที่ไม่ฉันนะ่ะตีมือแล้วในบรรดาทุกมือนั้นทําไมมือนี้จึงพิเศษเหลือเกินเนี่ยนะสองมือนี่นะมือที่ฉันแล้วตรัสรู้กับมือที่ฉันแล้วดับขันปรินิพา น, นนะแต่ว่าประเด็นแรกที่ที่คุยกันเนี่ยพระเจ้ามิลินเนี่ยเข้าใจแล้วว่าพระพู้เทอเจ้าไม่ได้ป่วยหนักขึ้นเพราะอาหารแต่ป่วยเพราะพระองค์ป่วยอยู่แล้ว แต่อาหารช่วยพยุงให้พระองค์มีเรี่ยวแรงทีนี้ประเด็นที่ที่ถามต่อไปว่าเอ๊ะทำไมอาหารสองมือเนี่ยพิเศษเหลือเกินในบรรดาอาหารเป็นพันพันมืออนะฉันตังเป็นพันมือเนี่ยทำไมสองมือเนี่ยมือแรกกับมือสุดท้ายพิเศษเหลือเกินนะมีผลเท่าๆกันมีวิบากเสมอกันมีผลมากกว่ามีอนิสงส์มากกว่าบิดาบาตอื่นผลมากก็คือวิบาก อั น, นิี้สองก็คืออันนี้สองทั้งเป็นที่ตั้งแห่งความปลื้ปรับปลื้มใจเป็นปัจจัยเพื่อการบรรลุมรคผลอั น, นิี้สองแปลว่ากําไรทําไมสองบินธบาสสองคราวนี้กําไรมากกว่าอย่างอื่นทั้งหมดว่างั้น <c oughs> ขอถวายพระพรมหาบาพิษบินธบาสสองอย่างเหล่านั้นมีผลเท่าเท่ากันมีวิบากเสมอกันมีผลมากกว่าและมีย น, นิสง์มากกว่าบินธบาสอย่างอื่นนัดเนี่ยก็ด้วยอํานาจการเข้าสมาบัติ และด้วยอำนาจที่มีการพิจารณาธรรมะเป็นผลของการเข้าพะาะละสมาบัติและการพิจารณาธรรมะอันนี้แหละเป็นเหตุให้บินทบาตเนี่ยมีผลมากมีอา น, นิสงส์มากพระเจ้ามิลินก็กล่าวว่าพระคุณเจ้านาเกษตรบินทบาทสองอย่างเหล่านั้นมีผลเท่าเท่ากันมีวิบากเสมอกันมีผลมากกว่าและมีอานิสงส์มากกว่าบินทบาทอย่างอื่นยิ่งนักด้วยอํานาจแห่งการเข้าสมาบัติที่มีการพิจารณาธรรมะเหล่าไหนบ้าง ก็อยากรู้ว่าพระองค์ทําอะไรบ้างพระนาคเษนก็กล่าวว่าขอถวายพระพรมหาบาพิษบินทบาทสองอย่างเหล่านั้นมีผลเท่าเท่ากันมีวิบากเสมอกันมีผลมากกว่าและมีอนิสงส์มากกว่าบินทบาทอย่างอื่นยิ่งนักด้วยอํานาจแห่งการเข้าอนุปภาพวิหารสมาบัตินะอนุปุาพวิหารสมาบัติแปลว่าสมาบัติอันเป็นวิหารธรรมที่ต้องเข้าตามลําดับเก้าอย่าง ทั้งโดยอนุโลมและโดยปฏิโลมพระเจ้ามิลินก็ถามต่อไปว่าพระคุณเจ้าถ้าตถาคตทรงเข้าอนุ ป, ปภาพวิหารสมาบัติ9้าอย่างอันเป็นอนุโลมปฏิโลมในเวลาเพียงสองวันเต็มเท่านั้นหรือบอกใช่ขอถวายพระพรพระคุณเจ้าหน้าอัศจรรย์เสียจริงหน้าแปลกใจเสียจริงที่อาสัตทิสถานทานที่หาฐานอื่นเสมอเหมือนไม่ได้ ที่ยอดเยี่ยมในพุทธเขตนี้ก็ยังนับเทียบกับบินธบาศสองอย่างนี้ไม่ได้ น, นะก็คือทานที่พระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลพนางมริกาชาวเมืองเป็นต้นเนี่ยนะแข่งกันทําบุญเนี่ยทานที่เรียกว่าสุดยอดของการถวายอาหารแล้วมือนั้นเป็นมือที่แพงที่สุดว่าไงเถอะเป็นมือที่พระพุทธเจ้าฉันแพงที่สุดด้วยปัจเหตุหลายๆอย่างเนี่ยนะก็ยังไม่ได้มีผลมากเมียในสงมากเท่ากับอาหารสองมือนี้เลย น่าอัศจรรย์เสียจริงน่าแปลกใจเสียจริงนะพระคุณเจ้าน่ากเกษรตราบเท่าที่อนุปปภะวิหารสมมาบัติก้าอย่างเป็นของยิ่งใหญ่ทานย่อมเป็นของมีผลมากกว่าและมียในสงฆ์มากกว่าด้วยอำนาจแห่งอนุปปภะวิหารสมมาบัติก้าอย่างสาธุดีจริงพระคุณเจ้าน่ากเกษรข้าพเจ้าขอยอมรับคำตามที่ท่านกล่าวมากรณีนี้ได้อีกสักครู่จะเอาข้อความเกี่ยวกับว่าพระองค์ เข้าสมบัติอะไรบ้างอย่างไรข้อท i mean, ี่น่าคิดเนี่ยนะเกี่ยวกับที่พระผู้มีพระภาคก่อนจะดับขันปรินิพานเนี่ยพระองค์เข้าสมบัติอะไรบ้างในอัตถาสมังคะลวิลาสีนีอัตถาทีคณิกายมหาวคหน้า442บดว่าปรินิพุโตพันเตความว่าท่านพระนนเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเข้านิโรสมาบัติ ไม่มีอัศสาสะปัสสาสะจึงถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพพานแล้วหรือท่านพระนนตอบว่ายังผู้มีอายุพระเถระทราบเรื่องได้ยินว่าพระเถระเข้าสมาบัตินั้นๆพร้อมกับพระศาสดานั่นแลจึงรู้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วดําเนินไปบัดนี้เข้านิโรธสมาบัติเชื่อว่าการกระทํากาลภายในนิโรธสมาบัติไม่มี ถ้าใครที่ไปวิหารวิหารปรินิพานเนี่ยนะเขาจะมีรูปนั่งขัตสมาธิอยู่องค์หนึ่งนั่นแหละพระนุุธะ น, นะเขาทำเป็นจําลองนะว่าพระนรุธะเข้าสมาบัติตามที่พระพุทธเจ้าจะดับขันปรินิพานแล้วก็มีคนหนึ่งอ่ะก้มเช็ดน้ําตา ย, ยานั่นนะพระ น, นนร้องให้ข <c oughs> เขาเขาก็มีตามนั้นนะเขาก็ในรูปเปรียบอะไรทั้งเล็กๆข้างล่างอในพระบาลีนี้ว่าครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้า ออกจากสัญญาเวดายิตานิโรธแล้วก็เข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะคือลำดับจะเป็นอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยขั้นต้นพระองค์ก็จะเข้าปฐมฌม า, านก่อนเข้าปฐมฌม า, านในฐานะในฐานะ2 4ปฐมฌ า, าน24กลุ่มไม่ใช่24กลุ่มใหญ่นะไม่ใช่เข้าเข้าสักแต่ว่าฌานที่หนึ่งแล้วจบเลยไม่ใช่เข้าปฐมฌม า, าน24ประเภท ยีสประเภทอะไรบ้างเข้าปฐมฌานเหล่านี้คืออสุภะสิบอสุภะตั้งแต่ซากศพที่ตายใหม่ๆจนถึงซากศพที่เป็นผงพระองค์เข้าฌานได้หมดเลยเข้าฌานอสุภะทุกชนิดที่มีอยู่และอาการสามสิบสองมีผมเป็นอารมณ์แล้วเข้าปฐมฌานมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีเยื่อในกระดูกตับไตไส้บอดเนี่ยนะทุกอย่างเป็นที่ตั้งแห่งสมาบัติทุกชนิดเหมือนั้นแล้วก็ กสินแปกสินเนี่ยนะเข้ากสินดินกสินน้ำเกสินไฟกสินลมสีขาวสีเขียวสีเหลืองสีแดงเนี่ยนะกะสินทุกเกษินสีทุกสีที่มีอยู่ในโลกพระองค์เข้าสมาบัติหมดแล้วก็เข้าเมตตาเมตตาในสัตว์หาประมาณไม่ได้ในทิศเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางไม่ขับแคบไม่มีสเสวณไม่มีศัตรูด้วยเมตตาปทมชาติเนี่ยนะในสรรพสัตว์ทุทท่นหน้า เข้าการุณาในสพัพพสัพท่วนหน้าเข้ามุทิตาในสพัพพสัพท่วนหน้าเข้าเจริญณ า, าปานสติด้วยเข้าปฐมฌานก็เราเข้าปฐมฌานฐานะ24กลุ่มนั้นอารมณ์นั้นจะกว้างขวางขนาดไหนแล้วก็เข้าทุติยะฌานโดยอาการโดยฐานะ13ฐานะสิบาคืออะไรบ้างาก็คือเข้ากสิ น, น, นเข้ากสินเข้าเมตตาการุณามุทิตาและอานาปานสติ ตาติยะฌานก็เข้ากรกสินแปดเมตตากรุณามุทิตาและอานาปานสติปริเฉถากาตเนี่ยนะแล้วก็เข้าจตุทชานในฐานะ15คือกรสินแปอุเบกขาพรหมวิหารอานาปานสติปริเฉถากาตแล้วก็เข้าอารูปฌานอีกสี่เพราะคำว่าจตุทชาเ น, นี่ยหมายถึงอรูปฌานด้วยคิดง่ายๆอย่างในวัด ปฐมฌานในโลกมีกี่ประเภทมีกี่ชนิดที่สรรพสัตว์เขาทำกันได้ที่พระพุทธเจ้าทำอยู่พงเข้าหมดเลยอย่างที่หนึ่งนะอย่างที่สองเข้าทุติยานทุกชนิดที่มีอยู่ในโลก เข้าตัาติยชานทุกชนิดที่มีอยู่ในโลกเข้าจตุทะชานทุกชนิดที่มีอยู่ในโลกเข้าอากาสานัญจายตนาวิญญาณนันจายตนะอากิจนจัญญายตนาเนวสัญญาณสัญญาายตนะและไม่ใช่เข้าธรรมดาเข้าปฐมชาแนละพิจารณาอย่างรอบละเอียดครบถ้วนเข้าทุติยชานแะล้พิจารณาอย่างรอครบถ้วนออกมาพิจารณาแล้วเข้าค่อยเข้ า, ขาชานระดับสูงต่อไป เข้าตตยชานแล้วออกมาพิจารณาเข้าจตุทชามทุกประเภทแล้วออกมาพิจารณาทั้งหมดเข้าอากาสาแล้วออกมาพิจารณาเข้านะแล้วพิจารณาทั้งโดยวิปัสนาเป็นต้นน่ยพิจารณาหมดเลยนะพิจารณาทุกอย่างโดยอนุปัสนาเจหมดจนถึงเข้าเนวสัญญานาสัญญาออกสัญญาญตะนะแล้วก็เข้านิโรสมาบัติ ต, ต่อไปเลยเพราะว่าเป็นการวางฐานเพื่อจะเข้านิโรสมาบัติแล้วออกจากนิโรสมาบัติก็ออก แล้วเข้าพระสมบัติเนวสัญญาแล้วก็เข้าเนวสัญญาณสัญญายาตนะทุกชนิดอีกแล้วก็พิจารณาออกจากเนวสัญญาพิจารณาเสร็จแล้วเข้าอากินจัญญายตนะแล้วพิจารณาออกจากอากินจัญญายตนะพิจารณาเสร็จเข้าวิญญาณัญญายตนะออกเสร็จพิจารณาพิจารณาเสร็จเข้าอากาสารัญญายตนะพิจารณาหมดเลยแล้วเข้ารูปฌานทุกประเภทที่มีอยู่แล้วพิจารณา เข้าตัติยะฌานทุกประเภทเสร็จพิจารณาเข้าทุติยะฌานทุกชนิดแล้วพิจารณาเข้าปฐมฌานทุกชนิดแล้วพิจารณาแล้วเอาใหม่เข้าทุติยะฌานทุกชนิดพิจารณาเข้าตัติยะฌานทุกชนิดแล้วพิจารณาเข้าจตุทัชฌานทุกชนิดเสร็จแล้วพิจารณาจบเรียกว่าออกจากจตุทัชฌานก็จุติจิตก็เกิดขึ้นระวังขจิตดับไปก็ปรินิพานเลยเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยพระองค์กล่าวเข้าสมาบัตินับได้24 0,000 โกฏ นะเข้าสมาบัติ2 4่สิบแสน โ, โกดเนี่ยนะภายในระยะเวลานิ่งเงียบๆ เ, เนี่ยนะเรากเกือบสว่างเลยนะไม่เวลาไม่กี่นาทีไม่กี่ไม่กี่ชั่วโมงเนะี่ยอาจจะไม่ถึงชั่วโมงด้วยซ้าไปเข้าได้ขนาดนั้นอะ่ะเพราะเอาวัสีของพระพุทธเจ้านี้แม่นยำ ม, มากนะชำนาญมากก็ทำมาทําไมทําอะไรบอกว่าโดยหลักการเขาบอกว่าจิตชั่วลัดนิ้วมือหนึ่งจิตเกิดดับประมาณเท่าไหร่เป็นแสนโกดขนาดใช่ไหมเมื่อเป็นแสนโกดขนาดเนี่ยพระองค์เนี่ยเป็นผู้ชํานานมากขนาดเรียกว่าภายในระยะเวลาสัก สินาทียี่สิบนาทีพระองค์ทําอะไรได้มากมายอย่างที่เคยกล่าวในอัตกถาสั่งยุทธว่าชั่วหายใหญ่เข้าอย่างเดียวพวกละเลิกชาได้เก้าสิบเอ็ดกลับอย่างเงี้ยความสามารถขนาดนั้นเรียกว่าักยภาพของความคิดในการฝึกออกมาใช้พระองค์เอามาใช้ได้ทุกอย่างอย่างเต็มที่และบริบูรณ์เนี่ยนะชำนาญมากา น, นะเขาอุปมาเหมือนอะไรอุปมาเหมือนว่าคนจะไปต่างประเทศกอดคนที่เป็นญาติเช่นั้น หมายคก็ว่าโอ้โหอัมลาญาต์ะนะฮะอําลาญาติเต็มที่แล้วก็จะออกไปต่างประเทศหรืออีกในหนึ่งก็คือเปรียบเหมือนว่าคนที่จะไม่ได้กลับมาอีกแล้วจะต้องรวบรวมเอาทรัพย์ออกไปออกนอกประเทศเนี่ยนะถามว่าจะต้องขายทุกชนิดที่มีอยู่ใช่ไหมเอาเรียกว่าเอาทุกชนิดที่มีอยู่ฉันใดพระองค์เข้าสมาบัติทุกชนิดที่มีอยู่ในโลกที่เขาเจริญกันในโลกพระองค์จึงเป็นผู้ที่มีความสุขที่สุดในโลกเพราะสุขใดๆที่เขามีมีกันนะพระองค์เสวยสุขทุกชนิดทั้งหมดเหล่านั้น ทั้งโดยสมถะและโดยวิปัสนาโดยระดับใดๆที่ที่ล้วนที่มีอยู่ในโลกเข้าทั้งหมดแล้วก็ดับขันปรินิพานเพราะนัไอการที่พระองค์ทากิจดังกล่าวมานี้แหละทำให้ผู้ที่ถวายทานนี่มีผลมากมีอ น, นิสงส์มากเพราะถวายทานแก่ผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีลอันนะคือคือใช้ศีลอย่างเต็มที่ใช้สมถะวิปัสนาที่เราเรียกว่าอนุปุพพวิหารสมาบัติเนี่ยนะเป็นคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่มาก เป็นคุณธรรมที่พิเศษว่าผู้ที่เข้าคุณธรรมเช่นนี้ผู้ใดถวายทานกับผู้เช่นนี้จึงมีผลมากเมีย น, นิสง์มากเนี่ยนะของเราก็ได้อนุโมทนากับนางสุชาดาอนุโมทนากับนายจุนทะเนี่ยนะแต่ถ้าจะนี้ก็อาจจะไปรอถวายกับพระพุทธเจ้าองค์หน้าก็แล้วกันนะนะคอยหยอดโอชาทิพย์ร่วมกับกับอะไรนะกับเทวดาเหล่านั้นนะอนุโมทนากับเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายที่เขาทําอนุโมทนา การเข้าอนุปุภะวิหารสม า, สมาบัติสมาบัติที่เข้าโดยลำดับซึ่งรายละเอียดนี้มีอย่างกว้างขวางมากอันนี้ก็กล่าวแต่โดยย่ อ, อทั้งสมถะวิปัสนาคู่กัน อ, องชานโดยอนุปัสนาเพื่อจะเข้าสมาและเข้าฌานสูงแล้พิจารณาเรียกว่าสมถะวิปัสนาเคียงคู่กัน ต้องทั้งสมถพะพระวิปัสนาพระเต็มที่จึงจะเข้านิโรธสมาบัติผู้ที่เข้านิโรธสมาบัติต้องทำอย่างนี้ทั้งหมดเพราะการทำบุญกับผู้ออกจากนิโรธสมาบัติจึงมีผลมากมีในสงมากก็ด้วยเหตุผลนี้เพราะคุณธรรมคือสมถะวิปัสนาเคียงคู่และมากด้วยไม่ใช่ธรรมดามากด้วยคุณธรรมเหล่านั้นเป็นตายอย่างมาก